ก่อนกลัวน้ำรับพรก็ฟังอะไรสักหน่อยนะเป็นธรรมะสั้นๆเมื่อนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะเป็นวันออกพรรษาชาวบ้านก็นะมาร่วมกันนะมาทำบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดเรามาด้วยความรู้สึกนะยินดี เพื่อมาแสดงมุทิตาจิตนะกับพระภิกษุสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมนะที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีการศึกษาธรรมมีการบาเพ็ญสมาธิภาวนารักษาศีลบาเพ็ญบุญกุศลตลอด3เดือนอาการที่จะมาทำความเพียรตลอด3เดือน ทำไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เมื่อทำแล้วนะจนกระทั่งตลอดรอดฟังครบท่วนไตรามาสนะมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีพวกเราชาวบ้านก็เลยมาร่วมอนุโมทนานะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ถือโอกาสมาบำเพ็ญบุญกุศล น, นะเราก็มาด้วยความรู้สึก รา่าเริงเบิกบานนะเพราะว่าได้มาร่วมกั น, นทำความดีแต่ว่าพรรษานี้นอาจจะแตกต่างกับจากพรรษาอื่นๆนะก็เพราะว่ามีเหตุใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างพรรษาไม่กี่วันมา น, นี้เองนะก็คือการที่ในหลวงเสด็จสวรรคตนะอันนี้ก็ยังความ เศร้าโศกเสียใจยให้กับประชาชนชาวไทยที่เป็นประสบนิกรนะแต่ก็หวังว่านะความยินดีในธรรมนะความละเริงเบิกทาเบิกบานในธรรมนะที่ได้พาเรามาที่วัดในวันนี้นะก็ช่วยทําให้เราได้คลายความเศร้าโศกลงไปได้บนะ้างอาการที่ มาจําบรรษาปฏิบัติธรรมตลอด3มเดือนในส่วนพระในส่วนแม่ชีแล้วก็ญาติโยมหลายคนพระออกแม่ออกก็มาจําศีลในวันพระนะอันนี้ก็คือการนะตัเตรียมนะสร้างเสริมนะบุญกุศลให้กับจิตใจของเราในช่วงสามเดือนนะ หัวมันเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะต้นไม้ที่เราปลูกก็โตขึ้นโตขึ้นถ้าเป็นข้าวนี่ก็กลายเจ อ, อกรวงแล้วนะนะถ้าเรามาทําความดีนะในช่วงเข้าพันษาบุญกุศลก็จ ะ, จะเจริญงอกงามในใจเรานะเมื่อบุญกุศลเจริญงอกงามในใจเรานะมันก็จะช่วยรักษาใจ ช่วยทำให้เราอยู่เย็ยนเป็นสุขนะในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะอย่างที่อาตมาเคยบอกนะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะได้ม า, าทำความดีให้กับตัวเราเองจะเรียกเป็นการอัดบุญกุศล น, นะให้กับชีวิตจิตใจเราก็ได้เหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ช่วงสามเดือนนี้ก็อัดนะระดมสะสม อาหารเพื่อที่จะได้อยู่รอดได้ในช่วงสามสี่ห้าเดือนจากนี้เพราะมันจะเป็นหน้าแรงแล้วนะสัตว์หลายชนิดเนี่ยก็สะสมอาหารไว้เพื่อที่จะได้เตรียมจำศีล น, นะบางชนิดไม่จำศีล น, นะแต่ว่าก็รู้ว่าพอถึงหน้าแรงแล้วอาหารมันจะมีน้อยนะ ก็ต้องรีบสะสมอาหารตลอด3ามสเดือนที่ผ่านมาคนเราก็เช่นเดียวกันนะสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่จะเราจะได้สะสมบุญกุศลไว้นะอัตมาเรียกว่าอัดบุญกุศลเข้าไปนะให้กับจิตใจของเราให้กับชีวิตของเราเพราะว่าออกรรษาไปแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรก็ไม่รู้นะชีวิตมันก็มีทั้งขึ้นมีลง มีทั้งเหตุการณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบนะมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะนี่ถ้าเราว่าเราได้สร้างสมบูรณกุศลเอาไว้มากๆเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าสะสมอาหารไว้พอถึงหน้าแรงฝนไม่ตกก็อยู่ได้สัตว์สะ ส, สมอาหารไว้ไว้ในร่างกายเป็นไขมันนะพอถึงหน้า หนาวหน้าร้อนไม่มีอาหารมันก็ยังอยู่ได้คนเราฉนะลาดกว่าสัตว์นะแล้วก็ประเสริฐกว่าพืชเนี่ยนะก็ควรใช้เวลาในช่วงสามเดือนนะเพื่อการทำความดีสะสมบุญกุศลไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มาถึงาวราระความสิ้นสุดของพรรษาแล้วนะ ถ้าเราสะสมบุญกุศลไว้ดีนะรวมทั้งสร้างเสริมสติปัญญาเนี่ยบุญกุศลก็จะช่วยรักษาชีวิตของเราให้ปลอดภัยประสบความสุขความเจริญนะมันจะมีความวุ่นวายยังไงนะเศรษฐกิจย่ำแย่ยังไงนะบุญกุศลก็จะช่วยใหเราฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ว่าที่ดีกว่านั้นก็คือสติและปัญญาสมาธินะ ขันตินะซึ่งเกิดจากการที่เราทำความเพียรถ้าใครใช้ช่วงเวลาสเดือนนี้ทำความเพียรสร้างสติเกิดปัญญาขึ้นมานี่นะก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาเจอเหตุร้ายอะไรต่างก็สามารถก้าวข้ามมันได้ด้วยดีจริงๆไม่ต้องรออยออกพรรษานะในพรรษานี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะกับเราบางอย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนทั้งชาตินะก็คือการสวรรคตของในหลวงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตของหลายคนนะเรียกว่าของคนคนประเทศหรือคนทั้งประเทศก็ได้มองให้ดีมันก็คือแบบทดสอบนะเป็นแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะใครที่ปฏิบัติธรรมมาดี <c oughs> ทําความเพียรมาตลอดก็สามารถที่จะอ ทำใจได้นะกับเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์ที่ว่านะะเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแบบนี้หรือยิ่งกว่านี้หรือเปล่านะหลายคนก็บอกว่าโอ้ที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อสามสี่วันก่อนนี่มันไม่เคยเจอมาเลยนะหลายคนก็ทำใจไม่ได้แต่ก็ให้เรารู้ว่ามันยังมีอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรา ตามมาอีกมากมายอย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าหรือที่เราสวดกันทุกวันนะทุกเช้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จ ะ, ะทำความดีสร้างสมบูรณ์กุศลแล้วก็จเจริญสติให้เกิดปัญญา ถ้มีสิ่งนี้เนี่ยนะก็ทําให้เราสามารถจะเผชิญกับพายุที่จะโหมกระหน่าเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะกี่ลูกกี่ลูกก็ตามหลายคนเจอพายุใหญ่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็ก็ไม่ไหวนะทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นไรน ะ, ะวันนี้เรายังทําใจไม่ได้แต่ว่าต่อไปถ้าเราฝึกฝนทําความเพียรดี เราก็จะรับมือนะกับเหตุการณ์ที่ย่ำแย่เวลวร้ายแบบนั้นหรือยิ่งกว่านั้นได้ยังจะมีพายุใหญ่อีกหลายลูกนะ้าที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ใหญ่กว่าที่ผ่านมานะ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือว่าวันนี้เนี่ยในหลวงเสด็จสวรรคตนะแต่วันหน้า เราก็ต้องลาจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกันในหลวงก็เพียงแต่เสด็จไปก่อนเราแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องอเดินตามพระองค์ไปไปสู่ปหลโลกนะแต่ว่าไปแล้วนี่ออกจากโลกนี้ไปก็ไม่แน่ว่าจะไปสุคติเหมือนพระองค์ท่านหรือเปล่านะในหลวงของเรานี่พระองค์ก็เสด็จไปสู่สวรรคาลัยนะเป็นสุคติแล้วให้เราเราลองถามใจตัวเองนะว่าถ้าเรา จากโลกนี้ไปเหมือนพระองค์ท่านในวันหน้าเราจะสามารถดําเนินตามท่านไปจนถึงสุคติได้หรือเปล่าไม่แน่นะบางคนเนี่ยจากโลกนี้ไปไปสู่ปรโลกนะแต่ว่าไม่ได้ไปสุคติเหมือนกับในหลวงนะไปทุกคติไปอบายก็ได้นะถ้าอะไรเป็นประสงคนิกรนะที่ดีนะก็ต้องตามพระองค์ไปจนถึงสุคติคือสวรรค์เหมือนกันนะ อย่างน้อยๆนี่ก็ก็ต้องเป็นสวรรค์แล้วนะเนั้นเราจะทำอย่างนั้นได้นี่ก็ต้องทำความดีนะสร้างสมบูรณ์กุศลปฏิบัติธรรมนะทำความเพียรเจริญสติสร้างปัญญาให้เข้าใจความจริงของชีวิตรู้จักรดความเห็นแก่ตัวนะคลายความยึดติดถือมัน่นอันนี้แหละก็จะทำให้เป็นหลักประกันว่าเออเราจะดาเนินรอยตามพระองค์ไป ไม่ใช่แค่ในโลกนี้นะแม้ในปอลโลกนี่เราก็จะยังตามพระองค์ไปได้นะคือไปสุคตินะให้เราลึกนะว่าออกพรรษาแล้วนี่นะเราก็ต้องนะเหมือนกับว่าคนที่ผ่านการฝึกฝนมานะต้องมีความพร้อมนะพร้อมที่จะเอาธรรมะที่เราใช้นะ ในการฟันฝ่าความทุกข์ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะว่าความทุกข์ที่เราเจอเมื่อสองสามวันก่อนนี่มันยิ่งใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ยังมีนะและที่สําคัญก็คือการที่วันที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปนี่อันนี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ในความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่ง ถามใจว่าเราพร้อมหรื อ, อยังนะที่เราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อยังไม่พร้อมนี่ก็พยายามทำความดีนะพยายามละเว้นความชั่วนะอย่างที่พระเจ้าตรัสนะเป็นสามข้อสั้นๆทำดีละชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะทำดีด้วยการให้ทาน นะรักษาศีลราชชั่วก็คือไม่คล้องแวะกับอบยมุกนะหรือว่าความบาปทั้งหลายแต่ถ้าไม่พอนะเราต้องมั่นนะเจริญสติทำสมาธิภาวนาสร้างความรู้สึกตัวจะทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์นะมีภูมิคุ้มกันในการรับมือความทุกข์ถึงเวลาเจอความเจ็บความป่วยเจอความพัดภาคสูญเสียเราทำใจได้ เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะเพราะเห็นว่าเพราะรู้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้หลายคนก็ปล่อยวางมันตั้งแต่ตั้งแต่มันยังไม่เสียหายไปนะเพราะฉะนั้นพอมันหายไปเสียไปใจก็เป็นปกตนะินี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้นะจากการมารู้จักพุทธศาสนานะ มรู้จักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยรู้จักแต่พิธีกรรมน ะ, ะวันเข้าพรรษาก็มาที่วัดทำบุญออกพรรษาก็มาทำบุญที่วัดนะเรารู้จักแค่นี้เนี่ยนะมันถือว่าไม่คุ้มนะที่มาเกิดเป็นชาวพุทธนะเกิดมาเป็นชาวพุทธต้องทีก็ต้องรู้จกักนะวิธีการพาใจออกจากความทุกข์นะด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเรานะทาน ศีลภาวนาหรือว่าเจริญตามบันได3 า, ามขั้นของการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญานะอาญาธรรแต่บุญกุศลเช่นมาทําบุญที่วัดอย่างเดียวนะต้องไปทําบุญกันที่บ้านด้วยทําบุญด้วยการทําความดีนะทําความดีกับเจ้าของรักษาใจไม่ให้ความโกรธความเกลียดความเห็นแก่ตัวมันครอมงาำจิตใจ บอกว่ารักตนรักตนนะแต่ว่าปล่อยให้อารมณ์พวกนี้มันครองบงำจิตใจปล่อยให้ความโกรธมันพาเราไปสู่อบายปล่อยให้ความเศร้ามันพาเราจมอยู่กับความมืดนะหดทู่จนกระทั่งไม่เป็นอันทํางานไม่สนใจลูกไม่สนใจพ่อแม่เพราะแต่เศร้าเจ้าจุกหดหูอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้รักตนนะเพราะว่าใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยสุขภาพก็ย่าแย่นะ จะป่วยก็ง่ายถ้าเรารักตนนะก็ต้องมันรักษาใจอย่าให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำนะโดยการเจริญสตินะสร้างความรู้สึกตัวและเวลามันเกิดเหตุร้ายขึ้นมามีพายุลูกแล้วลูกเราเข้ามาในชีวิตของเรานะสูญเสียคนรักพ่อแม่ตายบางทีลูกตายหลานตายอยานะแต่มันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเราฝึกเอาไว้ดี อย่างเช่นช่วงเข้าพรรษานี่เราะสะสมบุญกุศลทำความเพียรเอาไว้อย่างต่อเนื่องถึงเวลามันเกิดขึ้นนะเออเราก็ทำใจได้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโลกคนเราเกิดมาเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีความพลัดพรากสูญเสียนะอันนี้แหละคือวิชานะที่เราต้องฝึกเอาไว้นะ